จะเคยได้ยินเรื่องที่เขาเลี้ยงหมาเวลาจะให้อาหารหมาก็จะสั่นกระดิ่งไปด้วยได้เวลาให้อาหารหมาทีไรก็สั่นกระดิ่งทุกครั้งทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งหมานี่รู้รู้เวลาทีนี้พอคราวหนึ่งเนี่ย mm. เขาเพียงแค่สั่นกระดิ่งเฉย ไม่มีอาหารจะให้มัน แ, แค่ใส่กระดิ่งมาได้ยินนี่มันก็น้ำลายไหลทันทีถ้าหน้า ท, ที่ยังไม่ทันเห็นอาหารหมามันจำได้หรือมันเชื่อมโยงได้ว่าถ้าสั่กระดิ่งแล้วก็ได้เวลาอาหารแล้วเมื่อได้เวลาอาหารแล้วได้กินอาหารก็จะมีความอิ่มเอิขึ้นมาสั่กระดิ่งทีไร ใจก็นึกถึงอาหารพอใจนึกถึงอาหารมันก็น้าลายหลายทันทีคือเกิดความอยากนี่เขาใช้วิธีนี้จับปลาเหมือนกันเริ่มมีการทดลองเอาปลามาเลี้ยงแล้วก็เวลาจะให้อาหารก็มีการเปิดเสียงบางอย่างให้ปลามันได้ยินแล้วทำอย่างนี้อยู่หลายวันพอปล่อยมันออกไปจะเรียกมันเข้ามาก็ แค่เปิดเสียงนั้นทะละพอเปิดเสียงนั้นปลาได้ยิยนมันก็เข้ามาทันทีเพราะมันคิดว่าจะมีการให้อาหารมันจาเสียงได้และมันก็นึกต่อไปได้ว่าเสียงนี้หมายถึงอาหารมันก็ว่ายเข้ามาทันทีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรวิธีนี้เขาก็ใช้กราลองจะใช้เพื่อ จ, จับปลา แต่ว่าข้อเสียคือปลานี่ความจำมันสั้นนะมันจำได้แค่สิบวันถ้าเลยจากนั้นไปมันก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขากำลังทำหาวิธีเพื่อจะให้มันจำได้ดีกว่านี้นะต่อไปการจับปลาก็จะง่ายขึ้นนะี่เขาคิดแบบนั้นไม่ต้องไปหาปลาให้ปลามาหาให้ปลามาหาตะข่ายเองนะนี่คนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ คนเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเวลาเห็นอาหารหรือว่าได้ ก, กลิ่นหรือเพียงแค่เห็นภาพก็น้ําลายไหลบางทีเพียงแค่ได้ยินะระฆังที่บอกเวลาพอราคังบอกเวลาเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีบางคนก็อาจจะรอเสียงะระฆังรอเสียงกระดิ่ง กระวนกระวายแต่พอได้ินเสียงะระฆังบอกเวลากินอาหารความรู้สึกที่สบายมันก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็บางคนก็อาจจะพลอยน้ำลายไหลไปด้วยก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าของจิตก็ได้นะที่มันเชื่อมโยงกันได้ได้ยินเสียงแล้วก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นพอเกิดสุขเวทนาขึ้นนะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดตัณหาแล้วคนเราซับซ้อนกว่า น, นั้นนะอย่างเช่นเพียงแค่ได้ได้ใช้ของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าแบรนด์เนมเพียงแค่ได้ซื้อมันหรือว่าไม่มีเงินซื้อก็ไปเช่ามากระเป๋าราคาหลายหมื่นเป็นแสนก็มีก็มีให้เช่า เป็นวันนะพอได้สะพายได้ใส่มันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีทั้งๆที่กระเป๋านั้นมันก็ไม่ไทําให้อร่อยหรือไม่ได้ทําให้สบายเนื้อสบายตัวแต่ที่มีความสุขก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่มันทันสมัยหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนดารา ที่เขาใส่เขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นอันนี้ก็เป็นผลญจา ก, การโฆษณาว่าเออ<ม>เห็นดาราชื่อดังนางแบบหรือว่านักธุรกิจชื่อดังเล้วเขาสวมเขาสะพายเขาใช้ของชิ้นนั้นจนกระทั่งเรามีความรู้สึกผูกติดนะเอาของชิ้นนั้นมาเชื่อมโยงกับคนคนค น, นั้นพอเราได้ใช้เท่านั้นแหละเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นเลย นรกหนุมันก็ว่าความเป็นคนเก่งความเป็นคนสวยความเป็นคนที่ทันสมัยของคนตรงนั้นเนี่ยมันซึมซับมาอยู่ในตัวเราเราก็กลายเป็นคนเก่งคนสวยทันทีที่เราได้ใส่ได้สัะพายได้ใช้ของชิ้นนั้นอาจจะไม่ใช่กระเป๋าอาจจะเป็นรองเท้านะรองเท้านักกีฬาซึ่งไทร์เกอร์วก็ใช้ ไมเคิลจอนสันนักกีฬาบาสเกตบอลก็ใช้นะพอเราใส่เราก็รู้สึกว่าไอ้ความเป็นนักกีฬาคนนั้นความเป็นคนเก่งอง น, นั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเราฉันคือคนเก่งฉันคือผู้ชนะมันเกิดความอิ่มเองมขึ้นมาเกิด ค, ความเป็นสุขขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องจริงจังมากนะวัยรุ่นในเมืองนอกนี่ถึงกับฆ่ากันเพื่อแย่งเอารองเท้า ของยี่ห้อดังๆเหล่านี้เนี่ยมามาใส่อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันนะระหว่างสิ่งที่เห็นนะแล้วก็นึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความชอบขึ้นมานะได้ยินเสียงระฆั ง, ลงแล้วก็มนึกถึงอาหารหรือว่าได้เห็นกระเป๋าก็นึกไปถึง คนเก่งคนดังแล้วก็เลยมีความสุขที่ได้ใช้มันเป็นความสุขทางใจนะของมนุษย์เรานี่มันซับซ้อนกว่า น, นั้นอาจจะไม่มีน้ํำลายไหลนะแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจที่ได้ใช้ถ้านะจริงคนเราเนี่มันปรุงแต่งไปได้เร็วมากเพียงแค่ได้เห็นเท่านั้นนะได้เห็นยังไม่ทันได้บริโภคยังไม่ทันได้กลิ่นหรือบางทีเพียงแค่ได้ฟัง มันก็วนไปนึกถึงสิ่งหนึ่งแล้วก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะให้เกิดเวทนาแล้วก็ตามมาด้วยตันถาวิธีการโฆษณาก็ก็ใช้วิธีนี้แหละโดยที่เจ้าตัวไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางทีโฆษณาบุหรี่ก็ไม่ต้องมีภาพบุหรี่หรือซองบุหรี่ด้วยซ้ําอาจจะมีภาพดารามีภาพข่าวบอยคนที่เป็นแมนมัดมั่ น, นเป็นโคบาน ก็มีภาพนั้นแหละแล้วก็มีมชื่อยี่ห้อนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่มีบุหรี่ไม่มีซองบุหรี่ซักซองเลยแต่คนเห็นนี่บางทีมันก็เปลี่ยวปากได้เหมือนกันกิ่นก็ไม่ได้กิน่นนะบุหรี่ภาพก็ไม่มีนี่คือการที่การปรวงแต่งของจิตนะที่มันเห็นสิ่งหนึ่งมันก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่งทันทีแล้วก็เกิดเป็น เวทนาแล้วก็ตัณหาก็ปรุงเป็นอุปาทานได้อันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบบางทีก็เราก็เห็นได้บางีเห็นหน้าคนบางคนมันก็รู้สึกกรากระอวนขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าเห็นหน้าเขาก็เป็นึกถึงเพื่อนของเขานึกถึงเพื่อนของเขาก็นึกถึงการกระทำของเพื่อนคนนั้นที่เขาทาไม่ดีกับเรา ทรยศหักหลังเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเรานอกใจเรากั่นแกล้งเราเอาเปรียบเราพอคิดเท่านี้แหละไอค้ความโกรธก็พุ่งขึ้นมาทันทีความโกรธขึ้นมาแล้วพยายามส ก, กัดพยายามไปห้ามมันก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาในท้องมันเกิดขึ้นเร็วมากภายในชั่วเวลาไม่ถึงวินาทีเท่านั้นแหละไอ้กระบวนการที่ว่าเนี่ยมันก็หมุนไปไม่รู้กี่รอบเห็นสิ่งหนึ่งก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่ง ไอ้ตัวที่นึกได้นี่มันก็เป็นเรื่องสติเหมือนกันนะสติกกคือความจําได้แต่มันจําได้ในสิ่งที่ที่เป็นเรื่องนอกตัวแล้วก็เป็นความจำได้ในสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์จึงจะเป็นมิจฉาสติก็กกได้หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความจําในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้จําสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นมันทีจําความรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมามันก็เกิด ทันทีที่เห็นคนคนหนึ่งก็นึกไปถึงสิ่งหนึ่งแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปนะในการปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเร็วมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะแล้วก็ห้ามไม่ได้ถ้าบางคนเพียงแค่ได้ฟังบางคนบางคนฟังพระเทศบ่อยๆหรือฟังถูกบังคับให้ต้องมาฟังเทศฟังคำบรรยายใจก็ไม่ชอบพอได้ฟังแล้วมันก็ ไม่สนใจฟังฟังทีไรก็ง่วงทุกทีนะพอฟังแลงวงง้วง่วงต่อไปพอเจอใครคนไหนมาแสดงธรรมหรือว่ า, าเทศนาธรรมเนี่ยมันก็ง่วงทันทีเลยเหมือนกับว่ามันเป็นความจำได้นะมันเป็นการจำได้ไม่ใช่ว่าใจมันจำได้ชนะร่างกายมันก็จาได้ด้วยนะ ร่างกายก็จําได้จิตมันก็จําได้พอได้ฟังปุ๊บง่วงทันทีเลยมางคนง่วงแล้วรู้ว่าง่วงทําไงต้องแกงง่วงโดยการสร้างจังหวะให้มันหายง่วงต้องสร้างจังหวะมันเร็วๆมันจะได้หายง่วงทันทีเลยเนี่ยปฏิกิริยามันตามมาร่างกายนี่มันมันก็จําได้นะมันก็ทํางานของมันทันทีเรือมางคนสร้างจังหวะแล้วก็สร้างไปแล้วิดวิธีเพราะว่า เพ่งเพราะว่าอยากนะเพ่งแล้วก็อยากพอทําไปแล้วทําไปได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็เครียดขึ้นมาทันทีเครียดแล้วก็ปวดหัวแน่นหน้า อ, อก <c oughs> ก็ยังทําต่อไปทําต่อไปทําอย่างนี้อยู่หลายวันเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมันก็เป็นประทับได้นในจิตใจว่าไอ้อาการแบบนี้แหละการสร้างตัวแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบหรือว่าเป็นการไปซ้ํา ตอกย้ำให้กับจิตใจว่าถ้าสร้างจังหวะแล้วเนี่ยมันต้องเพ่งถ้ายกมือทีไรเนี่ยจิตมารู้ทันทีเลยว่าต้องเพ่งเพราะว่าเราทํานี้อยู่หลายครั้งให้บางคนเนี่ยพอทําได้สักสอาอาทิตย์เนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยทำได้สอสามอาทิตย์พอแค่ยกมือขึ้นมาทีเดียวแค่สอาครั้งเท่านั้นมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะมันเครียดเพราะหนึ่งจิตมันเพ่งทันทีจิตมันทํางานทันที และสอเนี่ยมันมีความรู้สึกตามมาคือความรู้สึกปฏิเสธความรู้สึกไม่ชอบมันก็เกรงขึ้นมาทันทีมันเมื่อกเราเห็นหน้าใครมงคลแล้วมันปรับกระวนใจก็มีคนแบบนี้นะเราน้องสังเกตดูเนี่ยพอสร้างจังหวะปุ๊บมันเพ่งทันทีมันเครียดทันทีมาทําบรักสองสนาทีก็ทําต่อไม่ได้อาการทางกายทางใจนี่มันรุมเร้าเข้ามาต้องเปลี่ยนเป็นอริยาบทอื่นกว่าจะ กว่าจะทำให้จิตมันมันลืมเรื่องนี้ไปหรือว่ากว่าจะทำให้จิตนี่มันเลิกเพ่งแล้วก็ร่างกายนี่มันมันเลิกที่จะมีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาของไหนที่จำได้มันก็ลืมได้นะเราก็จำได้ว่ามันต้องเพ่งแล้วร่างกายมันก็มีปฏิกิริยาทันทีพอจิตเพ่งปุ๊บมันเครียดทันทีแต่ว่ามันเปลี่ยนได้แก้ได้ เมื่อเราสร้างนิสัยใหม่เอานิสัยใหม่มาแทนที่ก็คือว่าสร้างจังหวะเดินจงกรมก็ทำแบบสบายๆไม่ได้บังคับจิตนะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้จิตฟุ้งนะแต่ปล่อยให้จิตเนี่ยมันมันรู้สึกตัวได้เหมือนกับว่าแทนที่เราจะกอดเสาวไว้เราก็พิงเสานะหรือว่าเราก็ดูเสาวยวงห่างดูแบบนี้นี่มันก็ ใจก็อาจจะเผลอออกไปวิ่งเล่นโน่นนี่พอสติเรียกให้กลับมาก็กลับมากลับมาอยู่โยงดูเสาดูห่างๆไม่ใช่เข้าไปกอดเอาไว้หรือไม่ใช่ถึงกับมัด ต, ตัวเองเอไว้กับเสาไอ้การเพ่งเนี่ยมันเหมือนกับการกาะหรือการมัด ต, ตัวไว้กับเสาเพื่อที่จะให้จิตมันไม่ไปไหนมันก็ไม่เผลอนะมันก็ไม่เผลอไปไหนเพราะมันไปไม่ได้เพราะมันถูกมัดเอาไว้แต่ว่าจะให้มันมีสติรู้ตัว มันก็ไม่ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าจะรู้ตัวได้มันต้องเผลอก่อนเผลอก่อนถึงจําได้นะถ้าไม่เผลอมันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องจําได้แต่ที่มันเผลอเนี่ยมันถึงจําได้เฉั้นเผลอบ่อยๆก็ทําให้จําได้บ่อยมันก็ทําให้มีสติขแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นคราวนี้มันก็มีโอกาสที่จะเผลอก็คือปล่อยให้มันมีสระที่จะเผลอบ้างปล่อยให้มันมีสระที่จะเผลอ นะเพราะว่าการเผลอเนี่ยแหละที่จะทำให้เรารู้อาจารจีก็พูดไว้อย่างไว้ดีนะบอกว่าเสรีภาพเนี่ยมันจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมันรวมไปถึงเสรีภาพที่จะทําผิดด้วยเสรีภาพที่จะทําผิดนะการปฏิบัติหลวงพ่เทียนี่คือให้เสรีภาพกก่ใจนะที่มันจะทําผิดที่มันจะเผลอไดนะ้ไม่ใช่ว่าไปห้ามมันไม่ให้มันเผลอเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็หิริสละเขา ไม่ใช่คอยไปบังคับควบคุมเขาถ้บาบังคับควบคุมเขาเมื่อไหรเนี่ยถึงเวลาเราไม่อยู่เขารู้ว่าไม่มีใครมาดูแลหรือคอยจับตาดูเขาเขาก็ทําตามใจสบายเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้รับการฝึกเขาเป็นถูกควบคุมพฤติกรรมพอแม่ไม่อยู่เขาก็เที่ยวทะเลถลายหรือพอแม่ตายเขาก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายเพราะไม่มีใครมาคุมแล้วมันไม่ได้เกิดจากใจ ไม่ได้เกิดจากจิตที่ได้รับการฝึกอย่างดีอันนี้คนที่เลี้ยงลูกที่ดีก็ต้องให้เสรีภาพกับบ้างถึงแม้รู้ว่าเสรีภาพที่เด็กมีมันอาจจะไปเที่ยวไปเล่นแต่เมื่อเที่ยวเล่นแล้วเรารู้เรา ก, ก็มาสอนเขาว่ามันดีไหมแอบไปเที่ยวแอบไปช้อปปิง้งมันเป็นยังไงผลเป็นยังไงเดือดร้อนไหมมันก็ทําให้เขาก็ค่อยๆรู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูก แต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่มีเสรีภาพที่จะทำผิดก่อนแต่ว่าเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันก็ถูกขึ้นมาได้คนเราอาจจะทำผิดทาพลาดแต่ว่าเมื่อรู้แล้วมันก็ต่อไปก็จะไม่ทำอีกนะมันก็เกิดความรู้รู้สึกผิดชอบภายในที่เกิดจากปัญญาเห็นโทษของการทำผิดก็ทำให้ไม่อยากจะทำผิดต่อไปในการปฏิบัติทำแบบหลวงพ่อเทียงเหมือนกันนะมันไม่ใช้การเพ่ง คนก็ไม่ชอบนะเพราะว่าถ้าไม่เพ่งแล้วเจิตมันก็จะเผลอไปโน่นไปนี่ก็ไม่เป็นไรนะให้มันเผลอบ้างเพราะเมื่อมันเผลอแล้วต่อไปมันจําได้มันก็จะรู้ที่จะไม่เผลอแต่ว่าพอเราพอเรารู้ไปบ่อยรู้ไปบ่อยเนี่ยต่อไปมันก็จะจำแนกได้นะจะรู้ทันจิตรู้ทันความรู้สึกนึกคิดรู้ทันการปรุงแต่งนะมันก็จะไวขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราเนี่ยมัน ปรุงแต่งได้เร็วมากจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไรคือความรู้สึกนกคิดของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นมันสับสนมันมั่วไปหมดอย่างเช่นบางคนบอกว่าถามว่าอากาศเป็นยังไงร้อนจริงอ้วยร้อนจริงอ้วยอันนี้มันเป็นการพูดแบบคลุมคลุม อากาศเป็นยังไงก็งงคืออากาศร้อนแต่ความไม่พอใจว่าร้อนโวยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเองมันเป็นความไม่พอใจของเราเองอากาศ จ, จริงๆไม่ใช่ร้อนโวยอากาศจริงๆคือร้อนแต่ร้อนแล้วมันทําให้เกิดทุกขเวทนาเกิดทุกเวทนาแล้วเราเลยไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นมาก็เลยบ่นขึ้นมาอากาศเป็นยังไง üre? อากาศร้อนจริงโวยเนี่ยมันพูดไม่มันตอบไม่ถูกอากาศคือร้อนแต่ใจเรา ก็คือไม่ชอบอันนี้ถ้าไม่มีสติตมันแยกไม่ออกนะมันก็จะตอบว่าอากาศร้อนจริงโวยไอ้ร้อนจริงโวยนั่นคือความรู้สึกในใจของเราแต่อากาศจริงๆ ค, คืออากาศร้อนไม่มีโวยอาหารเป็นยังไงอาหารวันนี้ไม่ชอบอ่าเ น, นี่ยตอบแบบเนี้ยคนธรรมดาก็ตอบอย่างนี้ไอ้ไม่ชอบเนี่ยมันคือความรู้สึกของเราเขาไม่ได้ถามความรู้สึกของเราก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไร เราก็จะว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารเผ็ดไม่เผ็ดเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยได้แต่คนนี่มักจะแยกไม่ออกก็พูดคลุมไปเลยว่า<ม>บางทีเไม่ชอบเอาความรู้สึกเข้ามาเข้ามาตอบก็ไม่ได้ถามความรู้สึกก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยมันอย่างว่านะพอเห็นแล้วมันก็กรุงเป็นเวทนาตันหาอุปาทานทันทีแล้วก็ไม่มีสติที่จะแยกแยะมันก็พูดคลุมคลุมไป และดูให้ดีที่ไม่ชอบคืออะไรก็คือคือกูไม่ชอบมันมีความรู้สึกเป็นกูเข้าไปปรุงแต่งด้วยสติที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็ปล่อยให้กูเนี่ยเขา ม, ามีบทบาทมาบอกว่ากูไม่ชอบกูไม่ชอบก็ไม่ได้ถามว่าคุณชอบไม่ชอบก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรก็ต้องตอบตามความจริงว่าอาหารเป็นอย่างอาหารคืออาหารนี่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยก็อตอบนี้ก็ได้ หือตอบว่าอาหารนี้มันเผ็ดไปเราก็ตอบได้แต่ไม่ใช่ตอบว่าไม่ชอบเพราะว่านั่นเป็นความรู้สึกของเรานั่นไม่ใช่เรื่องคุณลักษณะหรือคุณภาพของอาหารได้สังเกตุในชีวิตเรานะหรือคนจํา น, นวนมากเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกได้มันเอาความรู้สึกเข้าไปผสมปนเปย์ด้วยแล้วก็ไปคิดว่า ความจริงคืออย่างนั้นความจริงคือความรู้สึกคือความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนี้ก็ทําให้ชีวิตเรานี่มันมันคล้ยเคลสับสนนะเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกเพราะว่าจิตของเรามันมันเร็วมากนะแล้วมันปรุงแต่งอย่างนี้เป็นอา จ, จินนะจนกระทั่งเราไม่ไม่สามารถจะแยกแยะได้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็เห็นเออ เรามีสติวไยขึ forth, emotion, was, ้นไปขึ้ก็จะเห็นว่าเอออันี่เปนความรู้สึกนะอันี้มันนี่มันเวทนานะอันี่มันเป็นความชอบไม่ชอบมันเป็นอารมณ์นะเป็นความปรุงแต่งนะมันก็จะเห็นเมื่อเราเห็นแล้วมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้กออย่างงี้ไม่ใช่ว่ามันจะห้ามได้ในความคิดความรู้สึกนะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราเราก็รู้ว่าเออนี่มันเราก็แยกเยอะนี่คือความจริงนี่คือความคิดนี่ความรู้สึกแต่ว่ามัน เราจะไม่ให้ความรู้สึกมาครองใจเราถ้ารา่าความรู้สึกมาครองใจแล้วเมื่อไหร่มันก็เป็นอัตา ต, ตาธิปไตยอัตตาธิปไตก็คือว่าการเอาตัวตนการตัดสินอะไรโดยใช้ความรู้สึกของเราโดยใช้อัตตาเนี่ยอัตตาคือความชอบไม่ชอบอยากได้ก็ดีอะไรที่อยากได้อะไรที่ที่ถูกกิเลสก็ชอบอะไรที่ถูกกิเลสก็ถือว่าเป็นของดีอะไรที่ไม่ถูกกิเลสก็ไม่เอาไม่ใช่ธรรมาธิปไตย อธิปไตยวันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าการปกครองนะแต่หมายถึงว่าการการเลือกการตัดสินโดยเอาความถูกต้องเหนือความถูกใจถ้าความถูกต้องเป็นหลั ก, กเรียกว่าธารรมะธิปไตยถ้าอาความถูกใจเป็นหลักก็อัตตาอธิปไตยถ้าความถูกใจของตัวเองเรียกอัตตาธิปไตยถ้าความถูกใจของคนอื่นเรียกว่าโลกาธิปไตยจะทําทอะไรก็ดูว่าคนอื่นคิดยังไงก็าว่ายังไงเขางไหว ง, งั้นก็เอาด้วยนี่หลบโลกาธิปไตย แต่ตาทประดยคือเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักเอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักเอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักไม่สนใจความถูกต้องมันดีไม่ดีไม่สนใจอย่างเช่นว่าเออถ้านักการเมืองคอร์รัปชันเอาเงินมาให้หมู่บ้านชั้นอ่าดีถึงแม้มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกเพราะเป็นการคอร์รัปชันเอางบประมาณของที่มาลงมาลงในหมู่บ้านของตัวเอง คนในหมู่บ้านนั้นก็พอใจชอบใจก็บอกว่าดีแต่ว่าสิ่งที่ดีนั้นมันดีด้วยเอากิเลสเอาความชอบใจเป็นตัวตั้งไม่ได้ดูความถูกต้องความถูกต้องคือว่ามันโกงเข้ามามันเป็นการคอร์รัปชันมาหรือว่าลูกก็ดีใจที่พ่อเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันเอามาให้ตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกมีลดราคา1 0บล้านร้อล้านขับบอกว่าดี นี่มันอัตตาที่ปไตยไม่ใช่ธรรมะที่ปไตยถ้าธารรมะที่ปไตยคือเอาความถูกต้องเป็นหลักก็บอกว่าไม่ถูกต้องในระดับจิตใจก็เหมือนกันนะในระดับจิตใจเนี่ยเราก็ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งก็เลยเอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักจนทั่งออกไปปนเปกับความจริงนะที่จริงแล้วเนี่ยคนเรานะไอความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแยกจะตัดไปได้นะเพราะว่าเรียกว่าร่างกายของเราธรรมชาติของเราเนี่ยมัน มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกับสิ่งที่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินทางอาัตตนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมันมีคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวซึ่งก็มีหลายคนนะแต่ว่าที่เขาเพราะว่ามีคนนึงเนี่ยตาก็ใช้ได้แต่ว่าไอ้สัญญาณภาพที่มาจากตาไปถึงสมองเนี่ยมันตัดขาดมันถูกตัดขาดก็ทําให้มองอะไรไม่เห็นมันเมื่อกล้องดิจิตลอลที่ว่ามันก็ใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าไอ้สัญญาณภาพเนี่ยจาก จากเลนไปหน้าจอเนี่ยมันมันขาดไปเพราะฉะนั้นใช้เปิดยังไงก็ไม่เห็นภาพแต่ว่าเวลาเอาภาพคนที่มีสีหน้าต่า ง, าง mm hmm. ๆเช่นโกรธดีใจเสียใจมาให้เขาดูเนี่ยแล้วบอกให้เขาเดาเอาว่าสีหน้างคนในภาพเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรเพราะก็ว่าเขาเดาถูกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่ความบังเอิญเขาเดาถูกได้ไงเนเมื่อเขาไม่รู้เลยว่า ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาตาบอดแต่เขารู้สึกได้ว่าภาพนี้เนี่ยนะอารมณ์โกรธไอ้ภาพนี้เนี่ยอารมณ์เศร้าเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้เพราะว่าไอ้สัญญาณภาพเนี่ยมันมันไม่ได้ไปแค่สมองส่วนที่รับรู้ภาพมันอีกส่วนหนึ่งมันไปที่สมองส่วนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกไอ้สมองส่วนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันรับสัญญาณได้เต็มที่เลย เจ้าตัวก็ไม่รั่วมันอะไรนะแต่เขารู้สึกได้เพราะว่าพอสัญญามันเกิดขึ้นพอสมองส่วนที่มันรับรู้ภาพได้เนี่ยมันจะมันจะสร้างอารมณ์ขึ้นมาเป็นอารมณ์ชนิดเดียวกับภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกได้ว่าไอ้ภาพนี้โกรธเพราะว่าความรู้สึกโกรธมันเกิดขึ้นในใจเขาความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นในใจเขาก็บอกว่านี่นี่อารมณ์ดีใจอั้นถึงแม้ไม่เห็นไม่รู้นะแต่รู้สึกได้ แล้คนแบบนี้เนี่ยบางทีใช้ภาพไปถึงใช้เป็นภาพที่เร็วมากเร็วขนาดสี่ส่วนร้อยต่อวินาทีเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้หรอกภาพนี้คืออะไรเพราะมันเร็วมากแต่ว่าคนนี้เนี่ยคนยจริงคนทั่วไปด้วยคนทั่วไปจะรู้สึกว่าภาพนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ซึ่งมันก็จริงเพราะเขาถ่ายภาพคนโกรธถ่ายภาพคนโมโหถ่ายภาพคนที่กําลังมีท่าที่เกลียวกราดเนี่ย มันเร็วมากเนี่ยจนกระทั่งสมองส่วนที่รับรู้ภาพเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคือภาพอะไรแต่สมองส่วนที่รับรู้ความรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสมองส่วนที่รับความรู้สึกเนี่ยมันจะเร็วมากมันจะทํางานได้ดีกว่าได้เร็วกว่าสมองส่วนที่รับรู้ภาพแล้วก็ตีความวาภาพนี่คือภาพอะไรเอาเก็อย่างที่เคยเล่าเนี่ยบางทีเห็นงูยังไม่ทันจะรู้เลยว่างูมันอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่า ก็เกรงมันก็เสียวมันก็ชังนักซะแล้วสมองของคนเราหรือธรรมชาติของคนเรามาถูกสร้างมาพู่แบบนี้แหละเพื่อให้รู้สึกก่อนที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าถ้ารู้สึกแล้วเนี่ยมันจะได้ป้องกันหรือว่าหนีทันดังการที่เราจะปฏิเสธความรู้สึกเนี่ยมันมันยากนะไม่ใช่ว่ามีสติแล้วจะไม่มีความรู้สึกกลัวไม่มีความรู้สึกเกรงอะไรมันไม่ใช่ แต่เพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันถูกสร้างมาอย่างนั้นแต่ว่าสติมันช่วยคือทําให้เรารู้ทันและไม่ปรุงแต่งต่อไปเอร่วมมีร่วมมีร่วมีแต่ไม่ปรุงร่วมมีแต่ไม่ปรุงไม่มีตัวตนเข้ามาปรุงต่อไปว่าไอ้กูไม <ide> ่ชอบกูไม่ชอบกูเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่มันมีแต่แค่เห็นเฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยถึงแม้จิตมันจะเร็วปรุงแต่งได้เร็วเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด มันต้องรู้สึกก่อนที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยเออไม่ใช่ให้ความรู้สึกนั้นมาครอบงำจิตใจรู้ไม่ชอบนะแต่ว่าไม่ปรุงต่อไม่ปรุงมาเป็นความโกรธความเกลียดหรือว่ารู้ว่าสิ่งนี้มันมันน่ากลัวนะแต่ว่าไม่ได้เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความปรุงแต่ว่ากลัวๆไม่ใช่มันจะมีสติแล้วเนี่ยมันมันไวม า, จากจนทั้งว่าเออ มันเห็นแต่ว่าไม่เป็นเมืองที่ลุงปู ด, ดุลตอบคนบางคนถามว่าลุงปู่โกโรธหมเพราะก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่จังหวัดสุรินท่านก็ตอบว่ามีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาคือมันมธรรมชาติของขันนะธรรมชาติของขก็ปรุงไปเรื่อยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นสปาร์คไฟสเก็ตไฟที่ว่าขึ้นมาแล้วก็หายว่าขึ้นมาแล้วก็หายไปว่าจะเป็นธรรมชาติของขันนะแต่ว่าไม่ไม่ไปยึดไม่ปรุงต่อไปแล้ว ไม่ปรุงให้มากไปกันนั้นว่าปรุงเป็นตัวเป็นตนหรือว่าไปยึดติดถือมันมันก็สปากไปแต่ว่าจิตไม่ไปยึดติดแล้วอันนี้ก็มีแต่ไม่เอาแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เราเริ่มสังเกตได้เริ่มแยกแยะได้มากขึ้นว่านี่คือสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่คิดเอานี่คือสิ่งที่รู้สึกเอาไม่งั้นชีวิตมันก็จะไม่งั้นมันก็จะปนปนเปเ ป, เปกัน แช่ไหมว่าอะไรคือจริงคือความจริงอะไรคือความรู้สึกของเราถามว่าอากาศคือเราก็ตอบอากาศร้อนหุ่ยนะอันนี้คือการคิดการพูดแบบมันเหมารวมไปมันไม่ได้แยกแยะมันไม่ได้เกิดจากความรู้เท่าเทีนมจริงๆว่าอะไรคือข้างนอกอะไรคือข้างในอากาศร้อนคือข้างนอกไม่พอใจคือข้างในนะหรือว่าทุกทุกใจคือข้างในให้เรารู้ได้แยกได้ให้มันเป็นอย่างนี้แให้รายละเอียดอย่างนี้แล้วนะ